พระพุทธเจ้ากับพระปัญญาวิมุตติภิกษุทั้งหลายตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะหายติดหมดคร่ดับเสียได้ไม่ถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาจึงเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้ภิกษุปัญญาวิมุตต์ก็เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราหายติดหมดใคร่ดับเสียได้ไม่ถือมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาจึงเรียกว่าพระปัญญาวิมุตต์ในเรื่องนั้นอะไรเป็นความพิเศษเป็นข้อยิ่งย่อนเป็นข้อแตกต่างระหว่างพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุท ธ, ธะกับภิกษุปัญญาวิมุตต